3. ติกกริเตศเก้าร้อยก้าบรรดามาติกาเหล่านั้นอากุธรมูลสมเป็นไฉนะอากุธรมูลสคือโลภโทสะและโมหะบรรดาอากุตรมูลสามนั้นโลภเป็นไฉนะความกำหนัดความกำหนัดนักความคล้อยตามอารมณ์ความยินดีความเพลิดเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน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 ความเฉยชิดความเยื่อใหญ่ความห่วงใยความผูกพันความหวังกิริยาที่หวังภาวะที่หวังความหวังรูปความหวังเสียงความหวังกลิ่นความหวังรสความหวังโภทภะความหวังลาความหวังทรัพย์ความหวังบุตรความหวังชีวิตธรรมชาติที่อยากได้ธรรมชาติที่อยากได้ทั่วธรรมชาติที่อยากได้ยิ่ง กิริยาที่อยากได้ภาวะที่อยากได้ความละโมบกิริยาที่ละโมบภาวะที่ละโมบธรรมชาติที่เป็นเหตุตมทานไปความไข่ในอารมณ์ที่ดีความกำหนัดในฐานะที่ไม่ควรความโลภเกินขนาดความติดใจกิริยาที่ติดใจความปรารถนาความกระยิ่มความปรารถนาจัด กามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณหาในรูปประพบตัณหาในอรูปประพบตัณหาในนิโรธคือราคาที่เราคตด้วยอุดเฉตทิทิตรูปตัณหาสัทธตัณหาคันธาตัณหารสตัณหาโพธพัตตัณหาธรรมตัณหาโอคะโยคะคันธะอุปาทาน อาวรนิวอนเครื่องปิดบังเครื่องผูกมัดอุปกิเลสอนุสัยปริยุท ธ, ธานะตันหาเหมือนถาวรความปรารถนาวัตถุมีอย่างต่างๆรากเง้าแห่งทุกข์เหตุแห่งทุกข์แดนเกิดแห่งทุกข์บ่วงแห่งมารเบ็ดแห่งมารแดนแห่งมารตันหาเหมือนแม่น้ำตันหาเหมือนไข่ตันหาเหมือนเชือกผูก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 ความขุนจิตธรรมชาติที่ประทุตระไรใจความโกรธกริยาที่โกรธภาวะที่โกรธความคิดประทุตระไร้กริยาที่คิดประทุตระไรภาวะที่คิดประทุตระไรความคิดปองร้ายกริยาที่คิดปองร้ายภาวะที่คิดปองร้ายความพิโรุธความแค้นความดุร้ายความเกลี pills, ้ยดกลาด ความไม่แช่มชื่นแห่งจิตมีลักษณะเช่นว่านี้นี้เรียกว่าโทสะโมหะเป็นไฉนความไม่รู้ในทุกข์ความไม่รู้ในทุกขตมุทัยความไม่รู้ในทุกขนิโรธความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามิหนีปฏิปทาความไม่รู้ในส่วนอดีตความไม่รู้ในส่วนอนาคต